ตตั้งแต่ขันห้าครับก็ก็ขันห้าก็พอรู้คร่าวๆเขาก็ไม่ได้ยงลึกอะไรครับหลวงพ่อแล้วก็แยกลูกแยกรูป แ, แยกนามเมื่อสักครู่ที่หลวงพ่อบอกก็ก็ฟังตามแล้วก็พยายามจดไว้ด้วยนะครับเ ค, เคยได้ยินมาเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องต้องลองฝึกปฏิบัติครับมันถึงจะรู้อันนี้ก็อาจจะรู้ด้วยความคิดที่เฉยครับใช่ใชแลแ่ก็พ่อเห็นภาพครับ ดีนี้เอออย่างของโยมเนาะเออหลวงพ่อชี้ก็ได้อย่างสมมติว่าเวลาโยมคิดถึงใช่ไหมล่ะคิดถึงใครสักคนหนึ่งเนี่ยตัวโยมเนี่ยอาจจะอยู่บ้านใช่ไหมอืมอยู่บ้านแต่พอมันลืมตัวปั๊บเนี่ยจิตมันก็ไปคิดถึงคนที่เรารู้จักเห็นไหมมันจําได้เนี่ยว่าคนคนนั้นหน้าตายังไงมันก็สร้างรูปนะสร้างสูบสร้างรูปคนที่เราคิดถึงเขาอ่ะให้เป็นหน้าตายอย่างนั้นน่ะเช่น ตัวผอมตัวอ้วนหรือว่าผมยาวผมสั้นอะไรก็แล้วแต่มันสร้างเหมือนเด้เลยแต่ว่ามันสร้างเว็บเวบเวมเไงแต่ทีนี้เราเผลอไปเรานึกว่าไอ้ไอ้ไอ้ตรงที่มันสร้างเนี่ยมันเป็นเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแต่ความจริง่ะมันเป็นเรื่องของจิตที่มันปรุงแต่งคือมันสร้างขึ้นมามันหลอกอ่ะโยมมันหลอกมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงะมันไม่เป็นเรื่องจริงแต่มันสร้างขึ้นมาเขาเรียกว่ามันปรุงแต่ง ทีนี้พออย่างเงี้ยเห็นไหมโยมก็นึกได้แล้วว่าอ๋อเราตัวเราตัวเร า, ต, เราตัวรูปเนี่ยตัวรูปกายมันนั่งอยู่บ้านแต่เวลามันสร้างนะมันส่งคือจิตเนี่ยมันไม่รู้เราแล้วแต่ว่ามันสร้างพอสร้างเสร็จจิตก็วิ่งไปตามนู่นเลยไปไปถึงคนที่เราคิดถึงเขาพอวิ่งไปตรงนั้นเสร็จแล้วมันก็สร้างให้เป็นรูปเขาแล้วก็บางทีมันสร้างนู่นสร้างนี่เช่นสร้างว่าเขากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยเห็นไหม แล้วทีนี้ไอ้ตัวเราเนี่ยมันยังไม่รู้ตัวลืมตัวแล้วก็มันเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์นะแต่จริงอะความเป็นทุกข์มันเกิดขึ้นที่ในใจอะมันเกิดขึ้นที่ในตัวของเราที่อยู่บ้านใช่ไหมเออแต่พอเราลืมตัวเนี่ยมันเป็นทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นทุกข์เพราะมันกําลังสร้างสร้างสร้างสร้างแต่ถ้าเรากลับมารู้สึกตัวเราจะรู้เลยว่าเอา้าตัวเราอยู่นี่แล้วมันก็ตัดการปรุงแต่งการสร้างเนาะไอ้สิ่งนั้นก็ดับไปชั่วคราว คือจะรู้จะเห็นด้วยเลยว่า อ, อ๋อขณะที่รู้สึกตัวเนี่ยไอ้ตัวนั้นก็ดับไปนะแต่พอลืมตัวอา้ามันก็สร้างใหม่แล้วก็หลงอีกทําให้เป็นทุกข์อีกแต่จริงความทุกข์ก็เกิดในตัวเราในใจนี่แหละแต่ก็ไม่เห็นอีกเพราะว่าลืมตัวเพราะฉะนั้นการที่กลับมารู้ตัวบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้หยุดการสร้างใช่ไหมเมื่อหยุดการสร้างมันก็ไม่เป็นทุกข์ไม่กังวล เ, เพราะฉะนั้นเหตุที่มาว่าทําไมต้องฝึกให้รู้สึกตัว ก็ด้วยเหตุผลอย่างเนี้ยรู้สึกตัวมันก็หยุดการสร้างแต่พอลืมตัวมันก็ไปสร้างสร้างเรื่องสร้างอะไรเนี่ยเนาะสร้างตัวละครขึ้นมาทีเนี้ยงก็สังเกตได้เองอะถ้าขณะที่รู้สึกตัวเห็นไหมมันไม่ได้คิดถึงเขามันก็ไม่ได้สร้างอะไรมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่พอเผลอไปแล้วมันสร้างเรื่องอีกแล้วว่าเป็นอย่างงน้นอย่างนี้โอ้โหสารภาพงั้นก็จงกลับมารู้สึกตัวตามหลักเบื้องต้นที่เราคุยตั้งแต่ตอนต้นท่านก็ เป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกเลยครับก็เราเวลาเราเวลาเราไม่ทันตัวเองเราก็จะสร้างรูปสร้างนามนะครับเผลอแล้วเขาจะคิดว่าเขาทําน้ <c oughs> ทนทํานี้เขาไปนู่นไปนี่คือเห็นเขาเป็นตัวเป็นตนแต่นี่ยมันมันเป็นอยู่ในจินตนาการนะครับใช่เออใช่ใช่เป็นจินตนาการอืเนี่ยซึ่งซึ่งมันมันก็แน่นอนมันเมื่อไม่เป็นความทุกข์ ถ้าถ้าเราจรินตนาการในในเชิงที่แบบเรารู้สึกเป็นทุกข์มันก็จะเป็นทุกข์แต่ว่าบางครั้งการการสร้างของเราบางทีมันอาจจะเป็นถ้าในเรื่องงานมันอาจจะไม่เป็นทุกข์มันก็อาจจะเป็นการแบบเอคงจะเป็นอยู่อย่างนี้นะแต่ว่ามันมันก็มีประโยชน์ทั้งสองแบบนะครับด้านหนึ่งก็คือมันเป็นทุกข์อีกด้านหนึ่งก็คือสามารถใช้กำงานได้อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช่ใช่ใชนะ ทีนี้เทศที่เราเรียนธรรมะก็คือเนี่ยให้เห็นไอาการสร้างแบบนี้ให้เห็นว่ามันเป็นความปรุงแต่งมันเป็นภาพมายาซึ่งไม่ได้มีอยู่จริงนะไม่ได้คือเหมือนกับว่ามันไม่เป็นความจริงแต่มันเป็นภาพมายาลวงตาซึ่งคนที่ไม่เรียนธรรมะไม่เข้าใจเรื่องนี้ถึงได้เป็นทุกข์ไงเพราะรู้ไม่เท่าทันต่อภาพมายาที่มันสร้างขึ้นมานะอย่างเรื่องเรื่องผีก็เหมือนกันเนี่ย เวลามันสร้างใช่ไหมเนี่ยมันสร้างแบบเดียวกับที่หลวงพ่อว่าเลยพอมันลืมตัวปับ๊บมันก็สร้างเป็นผีขึ้นมาแล้วก็ภาพชัดเจนเลยว่าผีมีหน้าตายังไงเห็นไหมภาพชัดแต่จริงๆอะ่ะมันไม่ได้เป็นผีหรอกแต่ว่ามันเกิดจากมโน ก, กินตนาการโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวปับ๊บการสร้างก็หยุดฉับพลันเลยเนาะแล้วก็ถ้ามันสร้างผีพอรู้สึกตัวผีก็หายทันทีเลยแต่พอ ตอนหลังพอเผลอตัวเอามันสร้างมาอีกแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันถูกรรรรรสร้างได้ต่อเมื่อลืมตัวเผลอตัวอืมันสร้างได้หมดเลยสร้างได้ทุกอย่างสร้างให้เหมือนที่ยองว่าเนาะบางทีมันสร้างเรื่องนําสุขมาให้ก็มีบางทีมันสร้างเรื่องแล้วทําให้วิตกกั ง, งวลเป็นทุกข์ก็มีอเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเป็นล้วนแต่เป็นภาพลวงตาทั้งหมดทั้งสิ้นเนาะจงมีถึงบอกว่าจงมีสติแล้วก็รู้เท่าทันอย่าหลงกับเรื่องราวที่มันสร้าง มันสร้างได้แต่ด้วยสติปัญญาคือไม่หลงว่ามันเป็นความจริงจริงแท้มันเป็นแค่ภาพลวงตานะแล้วดูที่ชีวิตเรามันสร้างทุกเรื่องเลยนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยบางทีเคยมันเก็บกับตัวเองเหมือนกันนะบางทีสมมติชีวิตจริงเนี่ยสมมติเราเคยมีคนรักเนาะพอมีคนรักปับ๊บพอเราไม่ได้เห็นหน้าเขายิ่งเราละแวงกับใครนะมันก็สร้างว่า คนรักเราเนี่ยไปเที่ยวกับคนนั้นแล้วเนี่ยไปเดินจูงมือกันเนาะห อ, อมแก้มกันเนะี่ยโอ้โหดูแต่มันสร้างขนาดนั้นอะ่ะแต่พอมาตอนหลังเราเริ่มรู้ทันว่าเพราะบางทีมันรู้แบบนี้รู้ความจริงไงเราไปถามเขาว่าเออไปไหนมาก ข, ขาบอกว่าไปน่้นไปนี่ไม่ได้ไปเที่ยวอย่างที่เราคิดหรอกแล้วก็พิสูจน์ได้จริงว่าเออเขาไม่ได้ไปเที่ยวอย่างที่เราคิดก็เลยรู้เลยว่าโอ้อหที่มันสร้างเนาะมันหลอกเราอะ่ะจนเราเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเนาะจงมีสัจสี อย alloy, ่าได้หลงเชื่อสิ่งที awesome. ่ม <hygiene. S 2> ันสร้างถ้าให้ดีคือพอมันสร้างก็รู้ทันแล้วก็กลับมารู้ตัวไม่ไปดูเรื่องราวที่มันสร้างนะไม่ไม่ไปดูไม่ไปดูละครที่มันสร้างแต่ให้กลับมารู้ตัวรู้กายอ่ารู้กายที่กําลังทําอะไรอยู่ล่ะกําลังนั่งยกมือกําลังทํางานอยู่ให้กลับมารู้ตรงนี้เมื่อกลับมารู้ตรงนี้ตรงโน้นก็ดับไปเพราะว่าเราไม่ได้มองมันแล้วเราไม่ได้ดูมันแล้วการสร้างก็มันสร้างไม่ได้ นนใช่หลักอย่างนี้ก็คือกลับมารู้ตัวอ่าก็ปลอดภัยนะอย่าลงนะต่อไปมันสร้างอะไรเนอะรู้ทันอย่างที่หลวงพ่อบอกอะไรกลับมารู้เลยอย่าไปดูมันถ้าดูมันก็ยิ่งดูยิ่งเห็นครับหลวงพ่ อ, อ, อแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าอันนี้อันนี้ถามย้อนหลังนิด น, นึงครับ uh huh. ว่าเราจะรู้ได้ไง ว, ว่าจิตของเรามันเริ่มมีกาลังมากขึ้นแล้วครับอ๋อมันจะรู้ได้คือมันจะ เห็นเร็วขึ้นเห็นทันขึ้นแล้วเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจิตมันมันไม่ไหลไปกับสิ่งที่มันสร้างหลวงพ่อยกตัวอย่างนะสมมติว่าตัวเรานั่งอยู่บ้านแล้วเวลามันเผลอมันก็สร้างเรื่องไปคิดถึงใครไม่รู้คืออยู่อีกที่หนึ่งเนาะแล้วพอรู้สึกตัวปับ๊บอ้าวมันก็กลับมารู้ตัวแล้วการสร้างก็หยุดลงชั่วคราว ทีนี้ถ้าจิตตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นคือหนึ่งมันอาจจะถึงขั้นที่ไม่สร้างเลยก็ได้เพราะมันรู้แต่ตัวเราแล้วมันก็รู้ความคิดที่อยู่ในตัวเรามันไม่ได้คิดนอกตัวอันนี้ก็ทำให้จิตมากลับมาอยู่ในขอบในขอบเขตของเรื่องเรื่องของกายเนาะเออมาอยู่ในที่ตัวแหละความคิดก็คิดแต่เรื่องธรรมะคือมันไม่ได้คิดนอกตัวมันก็คิดแต่ธรรมะเรื่องคิดถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานะสมมตินะ แต่มันไม่คิดขินไม่คิดถึงเรื่องภายนอกแล้วตรงนี้ก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า อ, อ๋อจิตเนี่ยตอนเนี้ยเริ่มกลับมาแล้วกลับมาอยู่ที่กายแล้วที่ตัวแล้วก็จะรู้เองแต่ถ้าปฏิบัติไปมันรู้สึกว่ามันยังออกนอกออกนอกแล้วก็นานกว่าจะรู้ทีอย่างนี้แสดงว่ายังยังยั ง, ย, งยังกําลังยังน้อยอยู่พอแยกได้เนาะถ้ากําลังน้อยคือมันคิดแต่เรื่องข้างนอกแล้วมันไปบ่อยจนกระทั่งลืมตัวนานกว่าจะรู้เนาะ แต่ถ้าตอนหลังมาพบว่าอ๋อเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยส่งออกไปรู้ข้างนอกแล้วแล้วมันมีแต่ไข้ควรในเรื่องของตัวเองเรื่องของสิ่งที่อยู่ในตัวเช่นไข้ควรในเรื่องกายอ๋อกายไม่เที่ยงกายเดินกายนั่งกายนอนหรือไข้ควรว่าอ๋อจิตนี้มันเป็นธรรมะไม่เที่ยงคือมันจะอยู่กับการคิดแต่คิดเรื่องของธรรมะอย่างเนี้ยแล้วก็ต่อไปมันอาจจะคิดน้อยลงก็ได้แต่ความคิดว่ากันไม่ได้แต่อย่างน้อยที่เห็นคือ มันไม่ส่งออกไปไปรับรู้ข้างนอกมากครับหลวงพ่อส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาตั้งแต่ฝึกมาก็ก็ทําได้ครับแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาตอนที่ เ, เมื่ออะไรก็ตามที่มันมากระทบกิเลสเราอะ่ะมันมันจะคันคั น, ค น, คนข้างยากแค่นั้นเองครับก็ฝึกไปแหละเดี๋ยวมันก็พัฒนาของมันเอง แล้วก็ที่สําคัญที่หลวงพ่อบอกก็คือเนาะพี่นาไปด้วยว่าออทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวตนหรอกมันเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏแล้วหมดไปนะใช่หลักอย่างนี้เลยนะสิ่งที่ปรากฏมีแล้วหมดไปไม่ว่าเนี่ยตัวเราที่กําลังพูดกําลังคุยเนี่ยไอตัวเนี้ยมันก็เป็นของไม่เที่ยงคือมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันก็เกิดตายเกิดตายอยู่อย่างเนี้ยเห็นอยู่เห็นอยู่ทําความเข้าใจให้ถูกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วหมดไปไม่ใช่เรา เน้นตรงนี้ให้มากเลยถ้ามันลืมเมื่อไหร่มันก็เป็นเราทันทีแต่ถ้านึกได้ปั๊บมันก็เข้าใจได้เป็นเพียงแต่ว่าอ๋อเป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่ตัวตวนอะไรเนี่ยตรงนี้ให้อยู่ประจําจิตประจําใจไว้เลยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นทางพ้นทุกข์อ่ะอืมแต่ถ้าเข้าใจไม่ถูกมันก็พ้นทุกข์ไม่ได้มันพ้นทุกข์ได้เพราะปัญญาคือเข้าใจถูก กำลังนั่งบนเนี่ยเามันก็เป็นสังขารพูดได้เงี้ยเห็นอยู่แต่มันต้องเห็นตัวเองนะถ้าไม่เห็นเนี่ยท่องอย่างเดียวก็ไม่พอเพราะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นนักปฏิบัติคือยังเห็นตัวเองไม่เป็นเห็นตัวเองไม่เป็นก็คือมันเอาอะไรอ่ะอเดี๋ยวถ้าโยมเข้ามาก่อนหน้านี้หลวงพ่อก็เคยแนะนำเรื่องการให้เห็นตัวเองให้ถูกต้องเนี่ยแต่ทีนี้จะลองอีกทีจะไหวไหมนะลองดูเนาะให้เห็นตัวเองนะ เออเอางี้ก่อนลองลองจำลองภาพก่อนโยมเคยยืนตัวเองในหน้ากระจกบานใหญ่ั้มเห็นทั้งตัวเคยครับผมเออโยมลองลองพูดเป็นภาษาของโยมที่เมื่อยืนเป็นกระจกแล้วมันมันเห็นอะไรยังไงลองเล่าให้หลวงพ่อฟังดิก็อันดับแรกเลยก็เห็นรูปร่างของเราครับก็ให้เห็นรูปร่างหน้าตาเห็นสัดส่วนของตัวเองว่า คือผมเป็นคนสูงนะแล้วก็ผอ ม, อมก็จะเห็นเอ อ, อาขาโก่งนะนิดนึงนะอะไรประมาณนี้แขนเล็กนะครับตัวสงสูงนะผอมๆ อ, อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เวลาอยู่หน้ากระจกก็จะมักจะแบบหันซ้ายหันขวาหันข้างเพื่อดูตัวเองด้วยครับอะไรอย่างนี้ครับ ก็จะจินตนาการออกครับที่เห็นที่พูดนี้หมายถึงว่าเห็นตัวเองในกระจกใช่ไหมที่มึกที่พูดไปเมื่อกี้ว่าผอมบ้างอย่างนั้นบ้างอันนี้หมายถึงว่าเห็นเห็นตัวเราในกระจกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ๋อมันเห็นตัวเราเฉพาะในกระจกอย่างเดียวหรือว่าเห็นตัวเราที่อยู่นอกกระจกด้วยอ่าบางบางบางบางครั้งเราก็เห็นตัวเองนอกกระจกครับอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ย ผมสมัยวัยรุ่นเนี่ยผมผมเล่นกีฬาเนาะผมเล่นบาสอะไรเงี้ยผมก็จะจินตนาการนะว่าเฮ้ยถ้าชูดบาสของเราเนี่ยมันดีไหมแล้วก็จะจินตนาการอ๋ออย่างนี้มันน่าจะเป็นแบบเหมือนในทีวีแน่เลยอะไรประมาณเนี่ยหรืออย่างเช่นปัจจุบันนี้ผมออกกาลังกายทุกเย็นเนาะไปวิ่งผมก็จะจินตนาการตัวเองว่าเฮ้ยวิ่งแบบนี้โน้มไปข้างหน้ามันมันถ้ามันจะสวยขึ้นนะอะไรประมาณเนี้ยครับอืเพราะเพราะเราเคยเห็นคลิปตัวเองที่ที่ถ่ายตอนวิ่งนะครับออื อ่ะทีนี้เดี๋ยวกลับมาเรื่องกระจกนะกระจกเนาะห guru, เห็นเห็นเงาในกระจกเนาะครับเห็นเงาในกระจกแต่ก็เข้าใจได้ใช่ไหมว่ามันเป็นเงาในกระจกเนาะเข้าใจได้อ่าแล้วไอ้ตัวเราที่ว่าไอ้ตัวเราที่เป็นตัวตัวที่มีชีวิตจิตใจเนี่ยมั น, ม, นมันอยู่อยู่ไหนตัวนั้นตอนนั้นอยู่นอกกระจกมันอยู่หน้ากระจกใช่ไหมใช่ครับอ่าก็แปลว่ามันมีทั้งเป็นเงาแล้วก็ไอ้ตัวเรียกว่าตัวเราที่เป็นตัวตัวเนื้อตัวหนังอะเนาะ แยกเป็นทีนี้พอเห็นเป็นสองตัวแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อใช้คําว่าสองตัวคือเป็นตัวเงาตัวหนึ่งแล้วก็ตัวที่อยู่หน้ากระจกอีกตัวหนึ่งแต่เห็นตัวที่อยู่หน้ากระจกได้ใช่ไหมว่ามันมีอยู่เนอะรู้ได้ไหมว่ามันมีอยู่รู้ได้ครับรู้ได้จากทางกายครับรู้สึกตัวอ่ารู้ได้เพราะว่าใช่ถ้าถ้าไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะเห็นแต่เงาในกระจกไม่ได้กลับมารู้ตัวว่าตัวเนี่ยยืน อยู่หน้ากระจกอถ้าค่าวใดขนาดใดที่รู้ว่ามีตัวอยู่หน้ากระจกอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ตัวทีนี้โอเคพอรู้ตัวเสร็จแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็จะถามต่อว่าไอ้รู้ตัวเนี่ยใครมารู้ตัวเออถ้าโยมจะตอบเป็นคําพูดของโยมเนี่ยโยมจะใช้คําว่ายังไงอะ่ะใครมารู้ตัวเออเพราะตัวเราอยู่หน้ากระจกมันมันรู้สึกเหมือน อ่าถ้าเหมือนเหมือนในหนังก็จะเหมือน mm hmm. เป็นคนขับหุ่นยนต์นะครับเหมือนเราเป็นคนขับหุน่นยนต์เราเราเป็นคนขับหุ่นยนต์อยู่ข้างในตัวเราอีกทีหนึ่งนะครับเราเป็นคนขับใช่ไหมเราเป็นคนขับหุ่นยนต์อ่า <S <S ใช่ครับแต่อันนี้มันไม่ใช่หุ่นยนต์แล้วใครมารู้เราใคร ร, รู้รู้ตัวเราตามที่โยมเข้าใจสมมติยืนหน้ากระจกคนเดียวนี่แหละไม่มีคนอื่นเลยแล้วใครเป็นคนรู้ว่าเราอยู่หน้ากระจกผมไม่แน่ใจานะผมใช้คําว่าจิตไหมครับเรารู้ตัวเอง เออแต่ลึกๆเนี่ยถ้าหลวงพ่อไม่ถามแบบนี้โยมนึกว่าใครเป็นคนรู้ตัวเราตามที่โยมเข้าใจในตอนแรกก่อนที่จะคิดแบบหาคำตอบอะไรเนี่ยหรือว่าไม่เคยจะเหลียวใจเรื่องนี้เลยว่าใครเป็นคนรู้ตัวเราไม่เคยไม่เคยหาคาตอบเรื่องนี้เลยมีแต่รู้ตัวเราอย่างเดียวเคยเคยครับแต่ ก, ก็ก็ใช้คำพูดไม่ค่อยถูกแบบก็ใช้คาว่าจิตถ้าท่านในในในกลุ่มกัลยาณมิตร พวก อ, อาจารย์ผมก็ใช้คําว่าจิตจิตเดิมแท้ครับอะไรประมาณเนี้ครับอ๋อเคยได้ยินพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับเ อ, อถ้าอย่างนั้นแล้วใครเป็นคนรู้เดี๋ยวนะใครเป็นคนรู้ว่าอันนั้นเป็นจิตเดิมแท้ถ้าปัจจุบันที่กําลังพูดเมื่อกี้เนี่ยใครเป็นคนรู้ว่าเออเขาเรียกว่าจิตเดิมแท้ที่รู้ตัวเราใครเป็นคนรู้อั น, นอันนี้ผมไม่รู้แล้วไม่รู้เหมือนกันครับมไม่รู้ว่าใครเป็นคนรู้ใช่ไหมผมผมก็ไม่ สัมผัสมันได้ดไม่บ่อยครับนานๆครั้งครับเพราะว่ามันเมื่อกี้มันมันมันเออตรงนี้ลองลองพิจารณาดูนะว่าเดิมอ่ะเราอยู่หน้ากระจกเนาะอยู่หน้ากระจกแล้วก็รู้ตัวเราได้นะว่าเราอยู่หน้ากระจกหลวงพ่อก็ถามว่าเอาแล้วใครเป็นคนรู้ว่าเราอยู่หน้ากระจกโยมบอกว่าจิตเนาะสมมติเนาะเพราะเคยได้ยินได้ฟังเนาะ โยมเป็นคนรู้ว่าจิตถูกไหมอ้าวแล้วใครเป็นคนรู้ว่าใครเป็นคนรู้ห่อว่าโยมเป็นคนเดียวตกลงโยมเป็นคนรู้ดูดูนะโยมเป็นคนบอกว่าจิตรู้เราที่อยู่หน้ากระจกโยมเป็นคนบอกเนาะแสดงว่ามีตัวโยมดิเนาะโยมที่เป็นผู้บอกเนาะมีแล้วใครเป็นคนรู้ว่ามีตัวโยมเป็นผู้บอก รู้ได้ใช่ไหมว่าโยมเป็นผู้บอกเมื่อกี้โยมพูดเองรู้ได้เนาะเออแล้วใครเป็นคนรู้โยมว่าโยมโยมพูดอย่างนั้นอันอันนี้ไม่รู้ครับอันนี้อันเนี้ยเหมือนเหมือนแบบไม่รู้ไม่รู้จะตอบยังไงใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่มันรู้โยมได้ใช่ไหมว่าโยมเป็นคนพูดอย่างนั้นจริงๆเมื่อกี้รู้ได้ครับแต่ว่าไม่บ่อยครับเป็นเป็นเป็นความรู้สึกตัวที่ที่ลึกมากที่แบบว่า เป็นชั้นลึกๆเลยครับที่ไม่ไม่ค่อยเจอบ่อยๆใช่ใช่เพราะว่าสิ่งนี้คนมองข้ามไปเอาเป็นว่าเราอยู่หน้ากระจกก็มีธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้เราเราพูดอะไรไปเช่นบอกว่าเราพูดไปว่าก็จิตและเป็นคนรู้แต่จริงอ่ะใครเป็นคนพูดเราเป็นคนพูดใช่ไหมใช่ครับแล้วรู้เราได้ไหมว่าเราเป็นคนพูดรู้ได้ครับ และตอนนี้เราหยุดพูดรือว่าหยุดพูดเนอะรู้ได้ไหมว่าเราหยุดพูดแล้วรู้ได้ครับรู้ได้ไเพราะนั้นตรงนี้พอมองออกไหว่าตัวเรากับผู้รู้เราเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันหรือคนละตัวบางบางครั้งก็รู้สึกว่าเป็นตัวเดียวกันบางครั้งก็รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเดียวกันแล้วเออใช่ครับแล้วใค ร, ใครเป็นคนรู้เราว่าบางครั้งเราเรารู้อย่างนั้น <laughs> วนวนหลวงพ่อถามวนค <Yeah. S 1> ือตรงตรงเนี้ยหลวงพ่อต้องการชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่าเนี้ยเราไม่เคยศึกษามาก่อนเราก็เลยไม่รู้จักนะแต่จริงอ่ะต้องการให้รู้จักตัวเราอันแหละว่าไอตัวเราเนี่ยมีอยู่มีอยู่ตัวเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ก็มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่มารู้ตัวเราเช่นอยู่หน้ากระจกมีสิ่งหนึ่งก็รู้อยู่ว่าเราอยู่หน้ากระจก แล้วพอเราเดินไปอยู่ในห้องน้ำนะสมมติเนาะถ้าไม่ลืมตัวมันก็จะมีสิ่งหนึ่งรู้ว่าเราเนี่ยตอนนี้อยู่ในห้องน้ำแล้วแล้วเรากําลังนั่งกาลังทำอะไรในห้องน้ำเนี่ยมันรู้เราหมดเลยนะนี่ถ้ามีสตินะเออแต่ถ้าขาดสติมันไม่รู้อย่างเช่นเช่นสมมติตอนนี้ตอนนี้โยมอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่บ้านหรืออยู่ที่ทา ง, งานอยู่บ้านครับอยู่บ้านอยู่ อยู่ในห้องไหยตอนนี้อยู่ในห้องครับอยู่คนเดียวครับอ่าเนี่ยไอ้ที่รู้ว่าอยู่คนเดียวเห็นไหมธรรมชาติรู้เนี่ยมันมีอยู่ทุกขนทุกแห่งที่มีตัวเราอยู่ถ้ามีสติเราอยู่ที่ไหนมันก็รู้เราหมดเห็นไหตอนนี้มันรู้ว่าเราอยู่ที่ห้องแล้วก็รู้ว่าเราอยู่คนเดียวนี่เขาเรียกว่ามันรู้เราโอเคไหมคำนี้เนาะเขาเรียกว่ามันรู้เรารู้ว่ายังไงรู้ว่าเราอยู่ในห้องแล้วก็รู้ว่ามีเราคนเดียว รู้อันเนี้ยภาษาเบื้องต้นอาจจะเรียกว่าสติก็ได้เนาะสติก็คือตัวที่รู้เรานะตัวสตินี่แหละถ้าขาดสติมันไม่รู้เรานะบางคนเนี่ยหลวงพ่อเคยทดสอบบอกว่าเอาลองเข้าไปในห้องที่ไม่มีคนอยู่ทีแต่คือหลวงพ่อรู้แล้วว่าไม่มีคนอยู่แล้วหลวงพ่อให้โยมเข้าไปาดูที่มีใครอยู่ไหมในห้องโยมบอกไม่มีใครเลยไม่มีใครอยู่ห้องว่าง หลวงพ่อบอกอ่าเข้าไปใหม่ที่ดูที่มีใครไหมโยมบอก อ, อ๋อมีผมคนเดียวที่เข้าไปนอกนั้นไม่มีใครโยมดูว่ากรณีครั้งแรกกับครั้งที่สองมันไม่เหมือนกันแล้วครั้งแรกคือไม่รู้ตัวเพราะบอกว่าไม่มีใครแต่ครั้งที่สองรู้ตัวรู้ว่ามีเราเข้าไปอยู่นี่คือความต่างของความรู้ตัวกับความไม่รู้ตัวเออเพราะนั้นถ้ารู้ตัวเมื่อใดมันก็จะมีการรู้ตัวเราไม่รู้ตัวเมื่อไหร่ ก็จะไม่รู้ตัวเราเพราะนั้นสิ่งที่ต้องฝึกให้มากคือให้รู้ตัวเราเนืองๆให้รู้ตัวเราบ่อยๆไม่ว่าตัวเราจะทำอะไรที่ไหนไม่จำกัดการเนี่ยตัวเราจะทำอะไรที่ไหนต้องรู้ตัวให้เป็นรู้ตัวให้เป็นในเบื้องต้นก็เหมือนกับเนี่ยที่ยกตัวอย่างเราอยู่คนเดียวมันก็รู้ตัวเราใช่ไหอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้เป็นรู้เป็นในเบื้องต้นนะ่ะเนาะพอเราออกจากห้องเนี่ยลองเดินออกจากห้องดูดิเอาเดินออกจากห้องเนี่ย รู้ได้ไหมว่าเดินออกแลว้ววะเดินลองเดินดูจริงๆอะเดินเดินไหมเดินไหมตอนนี้รู้ครับเออแล้วลองเข้ากลับมานั่งเก้าวี้ดิดูดิมันก็รู้เราอีกเนี่ยฝึกให้รู้เราแบบนี้นะครับเห็นไหมขณะที่รู้เรามันลืมคนอื่นหมดเลยระหว่างคุยกับหลวงพ่อเรื่องรู้เรารู้เร า, รเรามันคิดถึงใครหรือเปล่าไม่มีไม่มีมมอาจจะอาจจะมีแวบๆนิดๆหน่อยๆแต่เหมือนกับจับไม่ได้เลยว่ามันคิดอะไรบ้างเพราะอะไร เพราะมันอยู่กับความรู้ตัวรู้เรานะยมได้ทางแล้วยมฝึกเอาเองนะทีนี้เนาะฝึกรู้เราอยู่หน้ากระจกก็เห็นเราอยู่ในห้องคนเดียวก็รู้เราเราออกจากห้องก็รู้เราเราเข้าห้องน้ำก็รู้เราเรากินข้าวก็รู้เราเราอาบน้าก็รู้เราฝึกอย่างนี้เลยเดี๋ยวมันก็จะชำนาญเองเมื่อกี้รู้เรามันต้องเพ่งไหม ไม่ต้องเพ่งครับสบายสบาย อ, อ, อยู่หน้ากระจกรู้เราต้องเพ่งไหมไม่เพง่งเนี่ยการไม่เพ่งแบบนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติคือถูกต้องแต่ส่วนมากรู้เรามันเพง่งเพ่งตัวเองเพื่อให้รู้แต่กรณีนี้ไม่ต้องเพ่งเลยมันรู้เลยนะจับทางที่หลวงพ่อแนะนํานี่นะไปฝึกให้มากนี่รวมถึงคนอื่นด้วยนะเรื่องการรู้เรานะเ อ, อรู้เราก็คือรู้ตัวเองนะตัวเองนั่งตัวเองนอนให้รู้รู้ก็ไม่ต้องเพ่งด้วยแล้วต่อไปมันก็จะ เขาเรียกว่ามันมันมันชานาญเนาะชํานาญในการที่จะรู้ตัวเองเมื่อกี้รู้ตัวเองเนี่ยมันรู้แบบทั้งทั้งตัวใช่ไหมหรือว่ารู้แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งมันรู้รวมรวมทั้งตัวไหมหรือว่ารู้แบบไหนถ้าทําอะไรเร็วๆมันก็จะรู้บางส่วนแต่ถ้าทําอะไรแบบไม่ค่อยทำมันมันก็จะรู้ทั้งตัวครับอย่างอย่างที่ที่ทดสอบที่หลวงพ่อถามกันเมื่อกี้เนี่ยมันรู้แบบไหนรู้แบบรวมรวมใช่ไหมรู้แบบรู้แบบรวมรไม่เจาะจงเนาะ เนี네่ยต้องรู้รวมรวมแบบนี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้แบบไม่ไม่เพ่งแต่ถ้ารู้เท้ารู้มือรู้ลมหายใจเนี่ยพวกนี้มันเพ่งแต่ถ้ารู้รวมรวมคือรู้ทั้งตัวเช่นะนอย่างรู้ลมหายใจเนี่ยมันก็ต้องรู้กายเลยว่ากายเนี่ยร่างกายเนี่ยมันหายใจหลวงพ่อปราโมทย์เคยใช้นะเคยท่านเคยบอกว่าเวลาคนส่วนมากเวลาดูลมเนี่ยก็เพ่งเพ่งลมจริงจรนะิงอ่ะท่านบอกว่าให้รู้ว่าร่างกายมันหายใจ คือท่านมองถึงร่างกายภาพรวมแล้วก็เห็นหายใจมันหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้มันจะทำให้แยกเหมือนกับว่ามันทำให้แยกระหว่างตัวเรากับตัวสตินะหรือว่าแยกระหว่างตัวเรากับผู้รู้แต่ถ้าไม่ไม่ฝึกแบบนี้มันมันแยกไม่ถูกหรอกเพราะว่ามันมันไม่รู้จะแยกยังไงอย่างอยู่หน้ากระจกยมรงโลง ด, ดีเห็นไหมอยู่หน้ากระจกปั๊บเนี่ยไอตัวเรายืนหน้ากระจก แต่มันมีผู้รู้เราอะมันรู้แบบไม่ได้เพ่งเลยนะเหมือนกับมันมั น, ม, นมันแค่นึกได้ว่าเออตัวเราอยู่หน้ากระจกอะมันแค่นึกได้เนี่ยเนี่ยเท่ากับอย่างเนี้ยรู้แล้วแล้วก็รู้แล้วก็คือก็ผ่านไปถ้ารู้ใหม่ก็รู้ใหม่เอาถ้าไม่รู้ใหม่ก็คือไม่รู้เนี่ยนกะฝึกเล่นๆไปนะเดี๋ยวมันจะเป็นประสบการณ์แล้วก็เข้าใจในเรื่องของการรู้ตัวนะในภาพรวมๆภาพที่แบบรู้ทั้งตัวเนาะแบบไม่เพ่งไม่จ้อง อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกับโยมทวีศักดิ์นนะเมือนกับว่าเป็นจุดตั้งต้นที่โยมเขาอาจจะไม่รู้มาก่อนแต่หลวงพ่อเขาค่อยๆเรียงลาดับเนาะเช่นการที่เราไปยืนอยู่หน้ากระจกเนี่ยนะคนทั่วไปเนี่ยบางทีถ้าถ้าไม่มีสติเลยเนี่ยเขาจะเห็นแต่เงาในกระจกแต่ถ้าผู้ที่มีสติคือระลึกได้บ้างเนี่ยเขาจะรู้ว่าไอ้ตัวเองเนี่ยไอ้ตัวอีกตัวหนึ่งนะที่เรียกว่าตัวเองอะ่ะก็เป็นผู้ยืนอยู่หน้ากระจก คือมันเหมือนกับว่ามันจะเห็นทั้งในกระจกและก็เห็นตัวเราที่อยู่นอกกระจกทีนี้หลวงการหลวงพ่อก็ต้องการชี้ว่าอ๋อมันมีอีกสิ่งหนึ่งนะที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติเห็นมันเห็นได้ทั้งสิ่งที่อยู่ในกระจกและก็เห็นได้ตัวเราที่อยู่หน้ากระจกแล้วธรรมชาติเห็นอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เราแต่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่มันไม่ปรากฏตัวผู้เห็น ถ้าเรามีปัญญาเข้าใจอย่างนี้เราจะรู้เลยว่าไอตัวที่ทุกเนี่ยตัวที่เวียนเกิดเวียนตายเนี่ยคือตัวเราผู้อยู่หน้ากระจกแต่ตัวที่ไม่ทุกเลยตัวที่ไม่ตายอ่ะก็คือไอตัวที่เห็นตัวเราตัวนั้นน่ะที่มันไม่ตายเพราะเหตุว่ามันไม่มีตัวนะมันไม่มีรูมันไม่มีรูปพันสันฐานมันไม่มีกิริยาท่าทางมันมีแต่ความรู้นะมีมีแต่ความมีแต่การรู้อ่ะคือรู้เราเห็นเราอย่างเนี้ย แต่มันไม่มีตัวจึงสามารถที่จะเหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้เลยว่าไอ้ตัวนั้นแหละคือตัวพ้นทุกข์เป็นตัวที่ไม่มีทุกข์นะจึงแยกได้ระหว่างทุกข์กับความไม่มีทุกข์แยกได้ง่ายมากเลยทุกข์ก็คือตัวเราคือขนัน่าแต่ที่ไม่ทุกข์ก็คือไอ้ตัวที่ทําหน้าที่เห็นซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมแท้ตัวเนี้ไม่มีทุกข์เลยนะเป็นตัวที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ทีนี้ถ้าเรามีปัญญาเข้าใจเรื่องเนี้มันก็จะเข้าใจเรื่องการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ก็คือว่าเพียงแค่รู้ตัวเราแล้วก็มีปัญญาว่าไอ้ที่รู้ตัวเราเนี่ยไอ้ตัวนั้นแหละมันไม่ทุกข์เมื่อเป็นอย่างนี้ก็จเจริญมรรคให้มากก็คือให้รู้ตัวเราบ่อยๆจะอยู่ที่ไหนก็ให้รู้ตัวเราจะนั่งอยู่ที่ไหนให้รู้ตัวเราเพราะขณะที่รู้ตัวเรานั่นแหละรู้นั่นแหละคือมันไม่ทุกข์แต่ตัวเราคือ เป็นขันธ์หก็ยังร้อนอยังหนาวยังเย็นเหมือนเดิมนะแต่รู้นั้นมันไม่ยึดทุกมาเป็นมาเป็นตัวตนมันก็เป็นเป็นตัวที่พ้นทุก์แบบเด็ดขาดถาวรไปเลยอพอตัวเราตายไปตัวนั้นไม่ต้องตายไปกับเราใช่ไหมเพราะมันคนละตัวกันเพราะนั้นเนี่ยมันจะแจ่มแจ้งในในเรื่องเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์ด้วยประการชนนี้อ๋อวันนี้ก็หลวงพ่อก็คงมีเวลาเท่านี้เนาะ นะวันนี้ก็หลงวงพ่อก็ขออนุโมทานากับญาติโยมทุกคนนะที่เข้ามาติดตามฟังธรรมะที่เป็นปัจจุบันในเรื่องของความรู้สึกตัวนะซึ่งเป็นทางที่จะให้พ้นทุกข์ได้นะก็วันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้